หรือบูชาสารพระภูมิที่บ้านได้หรป่าหรือบูชาเทวดาได้ป่ะก็บุคุที่ควรบูชาคุณดูคุณเราสมบัติอะไรที่พู้ที่ควรบูชานะเราเรากลับบ้านเราเจอพบหน้าพ่อแม่เราเราจะยกมือไหวไหมยกมือไหวถูกป่ะเจอผู้บังคับบัญชาบางทีก็ยกมือไหวด้วยคุณตารมที่ของเขามีเพราะฉะนั้นการบูชาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณบูชาเพราะเหตุอะไรถ้าเราบูชายัง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 เทวรูปเป็นองค์ๆนี้เลยทั้งพระพรหมพระวิษณุพระพิกเนตอะไรอย่างเงี้ยนะเจาแม่คนอิ้มมันมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณบูชาพระอะไรอย่างรูปในในหลวงร๕ อ, อย่างเงี้ยผ่านพระบรม อ, อาอาเาเรียกพระบรมรูปทรงม้าอย่างเงี้ยคุณบีบแต่คุณยกมือไหว้คุณทาไปทาไมหวังนิหวังหลุดพ้นหรือเปล่า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 พระสงฆ์เนี่ยมีเขาเรียก อ, อะไรนะคะมีมีทรัพย์มีทรัพย์ของพระสงฆ์เนี่ยได้สองอย่างาก็คือมีจีวรกับมีบาตรอ๋อทรัพย์ของพระสงฆ์หมายถึงว่าบริการหรือว่าเครื่องที่เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของท่านนะ่ะท่านก็มีได้ค่ะหมดทีนี้พอเนี่ยคะ่ะพอเราจะไปถวายของกะที่ท่านเครื่อนเคร่งอ๋อยึดมั่นในคําสอนมากๆใช้คํำสอนเป็นที่เพึ่ง ค่ะก็ก็ขออภัยนะคะที่ฉันใช้คำว่ายึดมั่นผิดกับท่านผู้ฟังค่ะต้องใช้คําว่าเป็นที่พึ่งเออใช่เมื่อทีเราก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะจะถวายนั่นดีไหมนี่ดีไหมโน่นดีไหมเอ๋อเกรงไปหมดว่าจะผิดนะคะท่านคะอืมนั่นสิเนาะทีนี้พวกคําว่าปัจจัยสี่ของท่านก็กว้างมากนะคะถ้าปัจจัยสี่ตามความหมายของพวกเราทัท่วๆไปก็คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหาร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 แล้วก็ยิวเข้าสารน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เ็าจะคิดได้ะคะ่ะอาา่อาฮะอ่าฮะแล้วห้ามเขาไม่ให้ถวายได้ไหมคะอ๋อห้ามนี่ก็ชื่อว่าเป็นอาิ i t h ไม่ใช่มิตรแท้ถ้าห้ามคนอื่นให้ฐานนะสรุปแล้วคืออย่างนั้นก็ถวายได้ไม่ได้เสียหายอะไรไปได้จะไปได้ไม่ไม่ไมีปัญหาถ้าพระสงฆ์ท่านนั้นท่านจะอนุคเคราะห์เราไว้ให้ได้ก็ท่านก็สามารถทำได้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 พวกเนี้ยไม่รับ อ, อ๋อ<ว> ท, ที่ที่นาก็รับไม่ได้แต่ดิฉัน เ, เห็นว่าวัดสมัยนี้ก็จะมีคนถวายที่ดินเยอะนะคะอันนี้ก็คือถวายให้เป็นวัดไงไม่ได้ถวายให้เป็นนาออคือไม่ได้เอามาให้ เ, ออใหเป็นทําสวนหรือว่าปลูกข้าวอะไรอย่างงี้นะไม่รับแต่ถ้าคุณเอามาถวายให้ทําเป็นวัด อ, อมีคนมานั่งสมาธิปฏิบัติทําเป็นใช้ที่ในเสนาสนะวัดอนันนี้รับได้ อ, อ๋อค่ะอยู่ที่ออวัตถุประสงค์ของการให้ใช้งานอ่าใช่ใช ช้างแพะแกะไก่อย่างนี้ไม่รับสุนัข ก, กะะ่ะท่านคะสุนัข ก, ก็ไม่รับพวกนี้มาปล่อยวัดเฉยๆบนทีเอาพวกที่เอาแอบบเอามาให้ไม่ได้ถวายแต่ว่าจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยไม่ได้มีในพุทธวจนะนะว่าห้ามรับน ะ, ะก็มีพวกสัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์การค้าเนี่ยลักษณะนั้นนะ่นะเ<อ>สือช้างแพะแกะไก่สุนัขสุกรโกมาลาพวกนี้ไม่รับ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 เพราะฉะนั้นมันจึงพูดยากนะสมมติเราเห็นใครยกมือไหว้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งปากมุบไม่มุบไม่มมมอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่คนคนนี้ศีลปฏัติบารมณหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเร า, เราต้องทราบวารจิตเขาถ้าไ ม, ไม่ทราบเนะี่ยก็สัรวมจิตเราซะค่ะแต่ทีฉันคิดว่าบางทีการที่เราแสดงความเคารพ บ, บูชาการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น